ทันธรมยังปฏิมาพุทโธว่าทั้งทงพนามเมสั น, นาท่านพธรรมเกกะเวอาวันสยามิวันจูปปิสุทังไหยมาที้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธทรมะธังมการ ความเสื่องไปเป็นธรรมชาติอาภมมเจนะสัมปาเรทาท่านทำลายโวงนำความไม่ประมาทใหถึงความเธอดอายันตาากตาสาวะชิมาวาจาเี่เป็นราวาจมีในทางสุดท้ายของกระาทาโคจา